ตาตาเวลานี้ไม่ต้องดูอะไรเพราะว่าถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาแล้วร่างกายก็อยู่กับที่ไม่มีภัยอันตรายใดๆตาจึงเรียกว่าไม่เกี่ยวการฟังธรรมการนั่งสมาธิภาวนา เกี่ยวกับทางโสดทางหูพร้อมกับจิตใจภายในฟังอุบายธรรมต่างๆคำว่าพระธรรมมีโยในโลกมีโยในพุทธศาสนาไม่ใช่ว่ามันพึ่งมีในพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาตรัส คือตั้งแต่โลกนี้ตั้งมามีมนุษย์และเทวดาอินพรหมก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสมาเทศนามาสั่งมาสอนเป็นพุทธันดรพุทธันดรมาศาสนาศาสนาธรรมคำสอนนั้นที่ว่ามันหมดไปสิ้นไป มันก็ไม่ใช่มันหมดมันหมดศรัทธาคนผู้จะประพฤติตามปฏิบัติตามผู้จะภาวนาตามพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าไปสู่นิพพานมันหมดไปไม่มีใครจะไปมีแต่ทนจะอยู่จะอยู่ในโลกนี้ แต่ยังไม่ไปพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านเสด็จดับขันเข้าสู่นาเผพานแต่คนในโลกนี้เขาก็ยังไม่ไปเขาจะอยู่ต่อไปอีกพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ว่าใครจะอยู่ไปก็เป็นสิทธิของบุคคลที่จะอยู่ไป แต่ท่านก็เตือนไว้ว่าการอยู่ในโลกนั้นไม่ใช่มันมีความสุขอย่างเดียวความสุขนั้นมีน้อยนิดเดียวเท่าปลายเข็มแต่ความทุกข์นั้นทันว่ามันมีมากมายกว้างใหญ่ไพศาลความทุกข์โยที่ไหนก็เหมือนกับแผ่นดิน เต็มไปด้วยแผ่นดินก็คือเต็มไปด้วยทุกไปที่ไหนก็แล้วว่าเต็มไปด้วยแม่น้ำลำคลองบึงบางทะเลสาบทะเลมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลก็เป็นอยู่อย่างนี้คนจะเกิดมาคนจะตายไปคนจะไม่เกิดก็ตาม แทนดินท่องฟ้าอากาศน้ำมหาสมุทรสาครก็มีอยู่อย่างนี้พวกสัตว์อยู่ในน้ำเขาก็ว่าน้ำสบายดีกว่าบนบกพวกที่อยู่บนบกก็ว่าบนบกสบายดีกว่าอยู่ในน้ำเรียกว่าสัตว์ทั้งหลาย ชอบอยู่ในโลกในวัฏฏะสงสารไม่ชอบไปสู่นิพพานอันเป็นสถานพ้นความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างชาวโลกชาวเราอยู่นี่ทั้งหมดเศรษ ฐ, ฐกิจโลกจะดีจะเสื่อมจะเป็นอย่างไรอย่างไรในเมืองนิพพานในพระนิพพาน ก็ไม่ไม่เป็นเหมือนในโลกมนุษย์เราแล้วว่ามีแต่สุขสะดวกสบายไม่มีอะไรที่จะให้ทุกข์ให้เดือดร้อนด้วยเหตุการณ์ใดๆไม่มีเรียวว่ามันพร้อมแล้วว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติมนุษย์สมบัติสมบัติในมนุษย์นี่ จะมีมากมายอย่างไรก็ตามมันยังมีความเดือดร้อนถ้าเราไม่ภาวนาดูเราก็มองไปว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีของโลกนั้นมีความสุขเพราะเขาต้องการอะไรก็หามาใชา้มาสอยได้ทุกอย่างทุกประการแล้วว่ามีความสุขความสุขนั้นก็เดีย ว, ว่างเงิน เงินทองวัตถุเข่าของที่มนุษย์สมมุติขึ้นเมื่อมันใช่สอยได้ก็เรียกว่าให้ความสุขแต่ว่าความสุขในโลกมนุษย์นี้ถ้าเราดูให้ดีมันเต็มไปด้วยทุกข์เขายังไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็ดิ้นรนวุ่นวายแสวงหาทรัพย์สินเงินทองหาความสุขความสะดวก อันใดที่โลกเขาว่ามีความสุขเราทุกคนก็ดิ้นหลนวุ่นวายสหัสแสวงหาเอามาคือเราหาโลกไม่ว่าสิ่งที่เราว่าเป็นความสุขความสบายนั้นแหละมันให้ความทุกขนั้นมากอันให้ความสุขน้นนอยหนึ่งเกือบจะมองไม่เห็นพระพุทธเทจา้าท่านจึงรวมว่ามันเป็นทุก ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บความไ ข, เ ข, มข้เป็นทุกข์ความพัดพราจากสัตว์และสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ิ่งเหล่านี้มันแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่สุขแท้มันเป็นสุขเจือปลด้วยอามิตรคือไม่ใช่สุขอย่างพระนิพพานนะ เป็นสุขอันเจือปนด้วยอามิตรเครื่องล้อใจให้หลงอยู่แล้วมนุษย์ทางหลายก็มนุษย์และสัตว์ท้งหลายก็ติดอยู่คล้องอยู่คือความสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขเหมือนเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าธรรมดามดมดนั้นเมื่อมันได้เห็นน้ำหวาน ของหวานอย่าเป็นน้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำอะไรก็ตามเป็นของหวานพวกมดแมงทั้งหลายก็พากันไปกินในเวลาที่ยังไม่ถึงที่กินที่ว่าของหวานนั่นมันก็เป็นความสุขทีนี้เมื่อลงไปกินแล้วมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความตาย เราทุกคนย่อมเห็นได้ว่ามดต่างๆเมื่อมันเห็นน้ำตาลเห็นของหวานที่เป็นน้ำมันก็ลงไปกินที่แรกก็กินอยู่ริมลมก็ไม่เป็นราก็ไม่เป็นไรทีนี้ถ้ากินอยู่ริมที่มันไม่บอนที่จะไม่จมมันก็ยังไม่พอใจจะคานเข้าไปไตเข้าไปกินให้ได้ลึก มันจะได้สบายมันจะได้หวานเข้าแทนที่มันจะหวานเลยแข้งขาปีกก็เลยจมลงไปในน้ำอ้อยน้ำตาลที่เป็นน้ำเลยไปตายตายเป็นแผ้ตายไปเต็มไปหมดนี่คือว่าความสุขของโลกมนุษย์เหมือนมดไปตายในหม้อน้าอ้อยกินไปก็เลยตายไป แทนที่จะกินแล้วสบายกินแล้วก็ตายจมอยู่ในหม้อน้ำอ้อยเขากิเลสในมนุษย์โลกที่มันโผกมัดลัดเึงเราท่านทั้งหลายให้ติดอยู่ข้องอยู่ก็เหมือนมดลงไปกินน้ำอ้อยแล้วก็ไปตายอยู่นั้นในเทวโลก เทวโลกเรวโลกของเทวดาอยู่เทวดานั้นกายทิพต์กินก็ไม่ได้กินเหมือนมนุษย์แต่ว่าเนึกอยากกินอะไรมันก็ลดอันนั้นสิ่งนั้นก็มาถึงเข้าก็ไปติดอยู่อีกไปคล้องอยู่อีกพระนิพพานนั้นทันว่าอยู่เหนือโลกเหนือสิ่งใดๆ พระพุทธเจา้าทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรูลในโลกก็มาสอนมาบอกทั้งมนุษย์โลกทั้งเทวโลกเทวดาทั้งพรห ม, มโลกโลกของเมืองพรหมที่มนุษย์และเทวดาอินพรหมติดข้องอยู่สำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายพระพุทธเจา้าพระองค์ สอนบอกว่ายายมาติดอยู่ข้องอยู่เท่านี้จงตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญทานรักษาศีลห้าศีลอุโบสถฟังเทศฟังธรรมเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้จิตใจดิ่งน้อมไปโสนิพานคือไม่ให้ติดโยข้องอยู่ เท่าที่ความสุขสบายที่เราว่าสุขสบายไปให้มันข้ามไปให้มันพ้นไปแล้วเมื่อถึงที่สุดคือพระนิพพานที่เราต้องการนั้นมันจะรู้แจ้งรู้จริงด้วยตนเองแล้วว่ามันอิ่มมันพออยากได้อะไรก่อนได้ แม้จะไม่เป็นวัตถุ ก, ก็ตามมันได้ในใจมันสําเร็จความสุขสะดวกสบายในใจนะมันเป็นความสุขภายในใจมีความสุขคือใจไม่ทุกใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเศรษ ฐ, ฐ, ฐกิจของโลกเวลามันเสื่อมมันเสื่อมไปไหนเมื่อก็เสื่อมไปที่เก่ามันนั่นแหละมันไม่ไปที่ไหนมันเกิดขึ้น หมดขีดมันก็เสื่อมลงไปโรกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุเก้าของมนุษย์อาศัยไมความเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสิ้นไปท่านให้ชื่อว่าสังขารทั้งหลายเมื่อมันเกิดขึ้นมามันตั้งอยู่ชั่วระยะการเวลาเท่านั้นแล้วมันก็เสื่อมไป สิ้นไปหมดไปตามธรรมดาของโลกอันเป็นสถานที่ให้ความทุกข์อยู่ตลอดกาลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปละมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขเมื่อถึงนิพพานแล้วความทุกข์อย่างคนเราเป็นอยู่ก็ไม่มีมีแต่ความสุขความพอใจความเรียกว่า บอกเป็นภาษาคนเราไม่ถูกแต่ว่าเราต้องภาวนาไปให้ถึงอย่าไปกลัวว่ามันจะหมดจะสิ้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะมาไ ด, ไได้ไม่ได้ความสุขต้องไปถึงไปให้ถึงเสียก่อนถ้าไม่พอใจจะกลับมาพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ว่าแต่ว่าต้องไปให้ถึง ถ้าไปยังไม่ถึงยังไม่รู้แจ้งโดยตนเองฟังแต่คนอื่นว่าพระท่านสอนท่านบอกอันนั้นมันเป็นเป็นเพียงคำบอกคำสอนที่เรายังไม่ถึงถ้าไปถึงแล้วก็เหมือนเราไปถึงบ้านนั้นเมืองนี้โดยเฉพาะคือว่าเรามาโสสถานที่วิเวกสถานที่ภาวนาอย่างถ้ำผาปล่องนี่แหละ ถ้าเราฟังแต่คนอื่นเขาพูดเขาว่ามันก็วาดภาพไปได้อย่างหนึง่งแต่เรายังมาไม่ถึงแต่เมื่อเรามาถึงแล้วเราจะเห็นสภาพถ้ำผาปลองด้วยตนเองมันเป็นอย่างไรเป็นสภาพไหนตั้งอยู่อย่างไรมันจะผ่านผ่านด้วยตนเองแล้วมันจะรู้จะเข้าใจในนั้นแหละ จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาจนเกิดสติปัญญาวิชาความรู้ในทางธรรมะจึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งถ้าหากว่าเราฟังแต่ข่าวเล่าลือฟังข่าวฟังข่าวเล่าลือเรายังไม่ถึงยังไปไม่ถึงทำไม่ได้ไปไม่ถึง ก็ยาเพื่อท่อถอยเพียนพยายามพยายามไปทีละน้อยละน้อยมันก็ไปได้ถึงได้ด้วยความเพียนคือความไม่ท่อถอยในจิตในใจอันการบุญการกรุศลที่เราประกอบการทำอย่างเรามาทอดผาป่าทอดกัดหิน สำเร็จแล้วบนมันอยู่ที่ใจไว้บนอยู่ที่ใจถ้าใจไม่ภาวนามันก็มองไม่เห็นชัดคือมองเห็นแต่ว่าลายเสียเราไม่มองเห็นลายได้แต่ถ้าผู้ภาวนาประกอบในจิตในใจให้จิตใจสงบระงับ จะมองเห็นได้ทั้งรายรับและรายจ่ายรายได้รายเสียรายที่ได้มามันอยู่กงไหนก็รู้้วยตนเองคือเมื่อคนเราทำบุญทำทานเสร็จแล้วมันเป็นความสุขใจแม่ร่างกายจะเน็ดเหนื่อยเมื่อหิวบ้างเป็นธรรมดาของลรกปัขันแต่จิตใจมันดี ได้ใจเสียสละได้ใจปล่อยใจวางได้ใจเย็นใจสบายใจร้อนไม่ค่อยมีมีแต่ใจสบายนี่ว่าบุญบุญนั้นเมื่อเราทำมันก็มีความทุกข์เหมือนกันแต่ว่าเมื่อผลผลที่จะได้มาในปัจจุบันต่อไปข้างหน้านั้นเป็นผลความสุข ความสุขนั้นเราไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่ในกายวาจาจิตของคนเราท่านว่าบนนั้นเหมือนกับเงาติดตัวคนเราไปทุกเวลาวันไหนถ้ามีแดดก็จะเห็นเงาตัวเองร่างกายยืนเงาก็ยืนร่างกายเดินเงาก็เดิน ร่างกายนั่งเงาก่อนั่งร่างกายนอนเราเงาก่อนอนติดตามเหมือนเงาตามตัวทันว่าอย่างนั้นถึงกันนั้นความเชื่อของคนเรามันก็มองไม่เห็นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อมาถึงตัวเราถ้ามันเป็นความสุขเล็กๆ น, น้อยๆมันก็กำหนดไม่ได้แต่มันเป็นความสุขใหญ่ขึ้นมานั่นแหละ มันก็มองเห็นแหละเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมาหากรับบ้างแปดอสงไขยแสนมาหากรับบ้างสิบหกอสงไขยแสนมาหากรับบ้างเวลาท่านบำเพ็ญอยู่มันก็มองไม่เห็นชัด เมื่อได้สำเร็จดังความมุ่งมากปาฏิารเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็เห็นด้วยตนเองแม่คนทางหลายก็เห็นอย่างพระพุทธเจ้าทุกๆไรองอะไรอะไรท่านก็ทำทุกอย่างเรียกว่าทำบุญบนนั้นให้ผลจนกระทั่งที่คนเราเห็นได้ก็คือว่ามีลัศมีหก ประการเป็นซ่อสว่างรอกพระวรกายไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปไหนมาไหนรัศมีหกประการก็มีตลอดทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนก็ไม่ต้องจุดไฟเพื่อว่าไฟรัดยาไปไม่ต้องใช้ไฟถายไฟฟ้า มันดีกว่าไฟฟ้าดีกว่าไฟสายไฟสายก็เพียงท่องทางไปได้เฉพาะแต่ความสว่างแจ้งของรัตสงมีผลสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเร ว, ว่าแจ้งไปหมดนั่นลหละคือว่าบุญเมื่อมันสำเร็จแล้วมากมายเกินคาดหมายเกินคนเราคาดหมาย ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ที่คนเราธรรมดาเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าบุญบารมีผู้มีบุญอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายนั้นมันเป็นความสกภายในทั้งพระองค์ของท่านด้วยทั้งพุทธบริษัททั้งหลายด้วย พุทธบริษัทก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงญาติโยมทั่วไปก็ย่อมเห็นบุญเห็นกุศลว่าบุญกุศลพระพุทธเจ้านั้นใหญ่ยิ่งมีอะไรอะไรพิเศษเกินกว่าที่เราคาดหวัง สิ่งที่เราไม่เห็นถ้าไปเกิดในสมัยนั้นเราก็ได้เห็นได้เห็ น, ไ ด, หนได้รู้ได้เข้าใจว่ามันมีจริงๆแต่มาสมัยนี้เรื่อง ว, ว่ามันห่างไกลออกมาคนเรามันก็มองไม่เห็นคือเห็นแต่คนทําไม่ดีคนทําไม่ดีนั่นเห็นลงข่าวคราวอะไรที่ไม่ดี แต่สมัยครั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ข่าวร้ายไม่ค่อยจะมีมีแต่ข่าวดีข่าวสุขข่าวสบายมากกว่าข่ า, าวทุกนั้นและท่านว่าบุญที่เราทำแล้วก็มองให้มันเห็นคือมันยังไม่ได้ไม่ถึงก็าตามให้เห็นว่ามันไม่ไปไหน เหมือนเงาติดตามตัวคนเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าวันไหนมันขึ้นฟ้าขึ้นฝนฝนตกมันก็มองไม่เห็นเงาแต่ถ้าวันไหนมันแดดออกร้อนจ้าแล้วก็ไปยืนเดิดในที่แดดจะเห็นเงาเงานั้นมัน มีตัวที่ไหนมันก็มีเงาที่นั้นคนทำบุญทำบาปมันก็เป็นเงาเป็นของอยู่ในนั้นแหละคนทำบาปบาปก็อยู่ในตัวของคนนั้นอยู่ในกายวาจาจิตของคนนั้นเมื่อบาปให้ผลเป็นทุกข์ทุกข์อย่างไรคันว่าตกนรก ไม่ไปเห็นหม้อนรกแท้ก็ดูหม้อนรกเมืองคนเอาหม้อนรกเมืองคนก็ความทุกข์ความเดือดร้อนของคนถ้าเป็นหม้อนรกหน่วยใหญ่ๆหน่อยก็คือว่าจังหวัดหนึ่งๆเขาก็สร้างคุกสร้างตารางไว้เมื่อคนทำบาปมากผิดกฎหมายบ้านเมืองก็เอาไปกักกันไว้ตัดสิทธ ให้อยู่ในที่จํากัดไปเที่ยวเตรอย่างใจชอบไม่ได้ละนั่นละคือว่าเป็นหม้อนะลกเมืองคนมีความทุกข์ที่สุดแต่เมื่อคนเราอยู่ทางนอกก็มองไม่เห็นถ้าเข้าไปในคุกในตารางในเรือนจำมันจะบอกให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจ มันมีความทุกข์ลำบากบางคนถ้าบังเลือนจำมันมากแล้วก็นอนก็เบียดกันแ่ะนอนเยียดแข้งเยียดขาสุดหัวสุดตีนก็ไม่ได้ต้องนอนขดมันยังได้หลายคนเป็นแถวไปอะไรอะไรก็บังคับบัญชาออกว่ได้ก็ไม่ทําก็ไม่ได้ นี่แหละคือว่าทุกของคนนอกนั้นยังจะมาทุกภายนอกที่ยังไม่ไปอยู่ในที่กักกันมันก็มีความทุกอยู่แต่ว่ามองไม่เห็นถ้าภาวานาพุทโธพุทโธในใจของเราแล้วจะเห็นได้เข้าใจได้เพราะใจเป็นผู้เห็นไม่ใช่ไม่ใช่ตาเป็นผู้เห็น ตานี้มันเป็นกล้องนเป็นแก้วตาสำหรับใครมองเห็นเท่านั้นจิตใจภายในจิตใจใครมีสติดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีก็มองเห็นได้ไกลกว่ากันไปเห็นนั้นผู้ปฏิบัติภาวนาพุทโธในใจก็อย่าไปทอดแท้อ่อนแอบำเพ็ญไปกว่ามันจะถึง ซึ่งความมุ่งมากตามถนานั้นก็ย่อมเป็นเวลายาวนานบ้างเป็นธรรมดานี่เป็นเครื่องตักเตือนเราท่านทั้งหลายให้รู้จักว่าคนทำบุญบุญให้ผลเป็นสุขคนใดทำบาปบาปให้ผลเป็นทุกข์เมื่อมันทุกข์แล้วแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นผลผลทุกข์ มันต้องเสวยผลอันนั้นไปจนหมดแล้วจึงจะไปถึงที่ว่าสุกกายสบายใจนี่เป็นโอบายเตือนให้เราท่านทั้งหลายตั้งใจให้มั่นก็จะรู้ได้เข้าใจในจิตใจของตนเป็นคําเตือนใจเราท่านทั้งหลายไว้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติ